ความหม่นหมองมืดมัวเพราะอำนาจของความอยากความโกรธความหลงผิดถึงแม้คนเราจะมีอำนาจหรือเงินทองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถระ ง, งับอาการอันโหดร้ายของความทุกเหล่านั้นได้ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่จเจริญด้วยนักคิดนักค้นควาผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย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 การทำพิธีรีตองเพื่อบูชาบวงสวงอ้อนวอนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่รับเข้ามาไว้ในศาสนาของพระองค์เลยเพราะเป็นสิ่งที่น่าขบขันน่าหัวเราะและถือเอาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระทำเช่นนั้น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 ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือสะักสิทธิ์นั้นก็จะหมดบาปหมดทุกข์ไปด้วยน้ำนั้นเหมือนกันหรือถ้าหากว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงบูชาอ้อนวอนเอาอ้อนวอนเอาแล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีใครมีความทุกข์เลยเพราะว่าใครๆต่างก็บูชาอ้อนวอนเป็น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 พุทธศาสนาไม่ประสงการคาดคะเนหรือทำอย่างที่เรียกว่าเพื่อจะเป็นอย่างนั้นเพื่อจะเป็นอย่างนี้เราจะทำไปตรงๆ ต, ตามที่มองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นแม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทันทีเราจะต้องฟัง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 ถ้าจเจ้าสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนาก็จะเกิดความคิดเห็นต่างกันไปทั้งนี้เพราะว่าพุทธศาสนาก็มีอะไรๆรครบทุกอย่างที่จะให้คนดูดังที่ได้กล่าวมาแล้วพุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติ เพื่อเอาตัวรอดจากความทุกโดยการทำให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำได้ก่อนและได้ทรงสอนไว้แต่คำพีทางศาสนานั้นย่อมมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นได้ทุกโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเพิ่มเติมลงไปพระไตรปิฎกของเรา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 พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายให้สิ่งที่เราเรียกว่ากระถินเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องไปเกี่ยวกับคารวาสเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กระถินกลายเป็นเรื่องมีไว้สำหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงินเอกระกเฮฮาสนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายอันแท้จริง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 ให้ค่อยๆลบเลือนไปด้วยเหตุชนีละ่ะสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาจึงมีเพิ่มขึ้นมากมายหลายประเภทจากตัวแท้ของาศาสนาที่มีอยู่ดั้งเดิมเกิดเป็นนิกายใหญ่และนิกายย่อยๆอีกตั้งยี่สิบถึงส0สินิกาย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 จะต้องรู้จักจับฉวยให้ถูกตัวแท้ของพุทธศาสนาไม่ไปถูกชิ้นเนื้อร้ายเนื้องอกดังที่กล่าวมาแล้วแม้พุทธศาสนาตัวแท้ก็ยังมีหลายแง่หลายมุมที่จะทำให้เกิดการจับฉวยเอาไม่ถูกความหมายที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็ได้ ถ้ามองด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศีลธรรมเพราะมีกล่าวถึงบุญบาปความซื่อตรงดีชั่วความกะตัญญูกะตะเวทีความสามคัคคีความเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองและอะไรต่างๆอีกมากมาย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 นอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้ส่วนนี้ก็ได้แก่ความรู้เรื่องความว่างเปล่าของสรรพสิ่งทั้งปวงหรือสุญญาตาเรื่องความไม่เที่ยงอานิจจังความเป็นทุกข์ทุกขังความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาหรือเรื่องการเปิดเผยว่า ทุกเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกขเป็นอย่างไรความดับสนิทของทุกข์เป็นอย่างไรและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรืออริยสัจซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้นี่เรียกว่า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 คือยานจักสุกก็ตามเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้ความรู้อันลึกซึ้งเช่นเรื่องสุญญาตาย่อมเป็นปรัชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บันลุทธรรมไปพลางก่อนแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีสำหรับผู้ที่บันลุทธรรมแล้วเช่นพระอรหันต์เพราะท่านได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเองไม่ต้องคานึงคานวณ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 และมีคำสอนอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะซึ่งดีกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมสากลอย่างมากมายแม้พุทธศาสนาส่วนที่เป็นตรร ก, กวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่โยกโครงที่สุดก็มีมากด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในพวกพระอภิธรรมปิฎก บางคำภีเช่นคำภีกระถาวัตถุเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอยากจะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาเหลี่ยมซึ่งชาวพุทธจะต้องสนใจที่สุดนั้นคือเหลี่ยมที่เป็นศาสนาซึ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติโดยรวบรัฐ เพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจนถอนความยึดถือหลงไหลต่างๆออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงได้การกระทำเช่นนี้เรียกว่าเราเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนามีผลดียิ่งไปกว่าที่จะถือเป็นเพียงศีลธรรมขั้นพื้นฐาน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 ให้หน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสน่าบูชาเป็นที่จับอกจับใจแก่คนทั้งหลายจนคนอื่นพอใจทําตามเราด้วยความสมัครใจไม่ต้องแค่นเข็นกันเราจะมีความงดงามในเบื้องต้นด้วยศีลบริสุทธิ์มีความงดงามในท่ามกลางด้วยการมีจิตใจสงบเย็นเหมาะสมที่จะทํางานในด้านจิต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 ย่อมจะเข้ามาในฐานะผู้แพ้ไม่อาจจะทำให้เกิดความมืดมัวสกรปรกเร่าร้อนให้แก่ผู้นั้นได้อากับกิริยาที่เป็นฝ่ายชนะอารมณ์ทั้งปวงนี้ย่อมเป็นที่บันเทิงเริงรื่นอย่างแท้จริงและนี่คือข้อที่ควรถือเป็นศิลปะในพุทธศาสนา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 มีความเห็นแจมแจ้งรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรไม่ทะเยอทยานในสิ่งใดมีอาการเหมือนกับนั่งลงได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนทั้งหลายชนิดที่ท่านให้คำเปรียบไว้ว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟ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 กลางวันยังเป็นไฟคือทั้งร้อนทั้งไหมอะไรไปนในตัวเสร็จตลอดทั้งวันและจะหาความสงบเยือกเย็นอย่างไรได้ถ้าคนเรากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟไปจนตลอดชีวิตถึงตายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองคิดดู เขาเกิดมาทนทุกทรมานจนตลอดชีวิตคือนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเน่าเข้าโลงไปทีเดียวโดยไม่มีสติปัญญาที่จะระงับดับไฟดับควันนั้นสิเลยบุคคลชนิดนี้จะต้องอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าสำหรับช่วยแก้ไขให้เบาบางลงตามส่วนเมื่อเขาได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวง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 ไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากโกรู้จักดีที่พระดือ้อเนนดือ้อและเด็กดือ้อไม่มีรือ้อมีสั่งอย่างหมุนจีเพราะความรู้ เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวหลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งหยงหมดความหลง รู้ตัวทรรมลำเลิศ